ฟังพระเจอผีทุกทุกท่านคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังคะ่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็สมาชิกพันทิพย์นะคะ ที่นำมาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเกิดกับตัวของเขาเองประมาณ5ปีเห็นจะได้เรื่องมีอยู่ว่าเขาทํางานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวถนนจันเขตสาทรเ น, นียคะงานที่ทําเป็นการทําความสะอาดห้องหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือรูมบอยค่ะต้องทําความสะอาดตามห้องที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนแล้วก็แขกอาหรับนะคะวันนั้นเขาทางานกะดึก ต้องดูแลทั้งชั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนกลางคืนไม่ค่อยวุ่นวายก็ทํางานตามปกติจนเวลาถึงสี่ทุ่มได้เดินลงบันไดชั้นสี่ซึ่งจังหวะนั้นก็ทําเงินเหรียญสิบตกก็เลยก้มเก็บนะคะตอนที่ก้มเก็บก็ต้องมองลอดใต้หวางขาตัวเองเผอิญว่าเหลือบไปเห็นเหมือนมีคนคนหนึ่งใส่กางเกงขากล้วยยืนอยู่ข้างหลัง ด้วยความตกใจก็เลยรีบหันไปดูปรากฏว่าไม่มีใครมีแค่ตัวของเขาคนเดียวจังหวะนั้นค่ะไม่ได้รู้สึกว่ากลัวแต่อย่างใดแต่เขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคิดไปเองหลังจากนั้นเขาก็เลยต้องเดินต่อลงไปที่ชั้นสามซึ่งเป็นห้องของพนักงานทำความสะอาดหรือห้องของ แม่บ้านนะคะซึ่งคนทั่วไปเรียกกันเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งมีพนักงานฟรอน t ์ p อเปเรเตอร์โทรมาบอกว่าให้เขาน่ะขึ้นไปชั้น4ี่ห้อง4ี่ให้ทีเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยเขาก็แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าห้องสี่ที่จะไปมันคือห้องสูตรไม่ได้มีใครเช็คอินนานแล้วตั้งแต่ทำงานที่นี่มาไม่เคยได้ทำความสะอาดห้องนี้เลยก็เลยตอบตกลงว่าะจะไปดูให้ เขาก็มีกุญแจมาสเตอร์อยู่ดอกหนึ่งซึ่งกุญแจดอกนี้มันเป็นดอกที่พิเศษมากคือสามารถเปิดได้ทุกห้องเลยนะคะพอเดินมาถึงหน้าห้องก็หยิบเอากุญแจมาเปิดประตูเสียงดังแกรกแกรนะคะเสียงไขกุญแจก็เปิดกุญแจห้องนี้ไม่ได้ค่ะทั้งทงที่ใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดก็เลยลองพยายามอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นเหมือนครั้งแรกก็เลยล้มเลิกความพยายามที่จะเปิดห้องนี้เดินกลับไปที่ห้องแม่บ้าน โทรศัพท์กลับไปหาที่ front operator นะคะเพื่อบอกกับกับคนที่อยู่ที่ front เนี่ยบอกว่าเออเปิดห้องนี้ไม่ได้นะก็เขาก็เลยตอบกลับมาว่าลองดูอีกทีได้ไหมก็เลยรีบตอบรับอ่าครับครับนะคะก็เดินไปเปิดห้องเดิมค่ะก็หยิบกุญแจดอกเดิมมาเปิดปรากฏว่ามันเปิดไม่ออกก็เลยพูดอยู่หน้าห้องว่านี่ room boy ขออนุญาตเข้าไปตรวจความเรียบร้อยนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเสียบกุญแจเข้าไปอีกทีหนึ่งครั้งนี้เปิดได้คะ่ะก็เลยรีบเข้าไปดูแบบ ง้างดูนะคะว่าจะมีคนอยู่ในห้องนี้ไหมคือตอนนั้นไม่ได้กลัวเขาบอกแบบนี้แต่คิดแค่ว่าอาจจะมีลูกค้าอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าตอนที่ไปเปิดประตูห้องนี่คือมันมืดมากมีแค่แสงสลัวสลวเล็ดลอดออกมานิดหน่อยเพราะว่าตรงข้ามกันกันกบโรงแรมอ้อง่ศูนย์สอ2เนี่ยนะคะก็มันจะเป็นกระจกนะคะเพื่อเปิดไปที่ระเบียงแล้วก็มีผ้าม่านอยู่แค่นิดเดียวเองสายตาเขาเหลือบไปเห็นม้านั่งโยกตัวหนึ่ง ซึ่งมองดูแล้วเหมือนมันโยกเองได้แต่ปรากฏว่าที่แปลกไปกว่า น, นั้นคือมันมีคนนั่งอยู่บนนั้นด้วยก็เลยพูดว่าขออนุญาตตรวจห้องนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะก็ไม่กล้าเข้าไปสุม 4, สี่มห้าแล้วก็ลืมบอกไปเขาบอกว่าห้อง420ห้องสูตรเนี่ยมันเป็นห้องของเจ้าของโรงแรมคือเปิดไว้ให้ครอบครัวมาพักซึ่งมาทราบจากฟรอนต์โอเปอเรเตอร์อีกทีหนึ่งก่อนจะขึ้นมาเปิดรอบ2เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับ เขาก็รีบปิดประตูคือในตอนนั้นเขาบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรจริงๆพอตอนเที่ยงคืนได้เวลาพักเบรคทานข้าวก็มีช่างซ่อมบำรุงแล้วก็พนัก ง, งานคนเก่าหลายคนมาพักเบรกด้วยอยู่ๆช่างก็พูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้อคิดถึงอากงเนาะพนัก ง, งานอีกคนได้ยินดังนั้นก็ตอบคิดถึงแกเหมือนกันด้วยความสงสัยนะคะคนที่เล่าให้ฟังก็บอกว่าอยากรู้ว่าอากงคือใครก็เลยถามไปบอกว่าอากงคือใคร ช่างกับพนักงานที่อยู่ฟรอนต์โอเปอเรเตอร์นะคะก็บอกว่าอากงก็คือเจ้าของห้องของโรงแรมนี้ห้อง402แล้วก็เป็นห้อ ง, องเจ้าของโรงแรมด้วยคือหลังจากที่ผู้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะได้ยินเขาก็ตอบกลับไปหาช่างกับฟรอนต์โอเปอเรเตอร์ ator, บอกว่าคิดถึงก็ไปหาสิแกอยู่บนห้องนั้นแหละช่างและพนักงานได้ยินที่ตอบก็มองหน้ากาันแล้วก็ถามเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเห็นหรอเจอเหรอ เขาก็รีบตอบกลับไปเนี่ยคะบอกว่าก็เจอเจอแกนั่งมาโยกอยู่บนเก้าอี้ห้องนั่นแหละก็พนัก ง, งานกับช่างก็บอกจะบ้าเหรออากงตายไปตั้งนานแล้วจริงพี่นี่นั่งโยกอยู่บนห้องอยู่เลยเนี่ย ช่างและพนักงานได้ยินดังนั้นค่ะก็พากันเงียบแล้วก็คิดว่าเออคงจะเจอจริงๆเพราะไม่เคยมีใครเล่าเรื่องอากงให้ฟังช่างเล่านะคะว่าอากงเนี่ยแกอายุมากแล้วแกป่วยแล้วก็เสียที่ห้อง402นั่นแหละคือตอนแกเสียเนี่ยกแกใส่กางเกงขาวกวุ้ยและก็เสื้อสีขาวอาลอสิก็เริ่มกลัวเลยเนาะเพราะว่าสิ่งที่เจอในห้อง402กับบันไดที่ชั้น4ต้องใช่อากงแน่ๆหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนค่ะก็ลาออกจากที่นั่นเพราะว่า ไม่กล้าที่จะทำงานที่นี่ต่อนะคะคือเจอผีแล้วล่ะน ะ, ะเจอผีของพ่อเจ้าของโรงแรมด้วยเป็นคุณผู้ฟังคุณดูฟังจะยังคงทำงานอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าคะตำนานอมาตะที่เล่าขานจากผู้คนในยุคนั้นจากรุ่นสู่รุ่นที่มีอายุกว่า100่งปีนี้มีอยู่ว่าครั้งนั้นมีสมภารผู้ศึกษาวิชาสายเวศสายมืดคุณสายมนดำเดรชนวิชา สมภารผู้แก่กล้าด้านคาถาอาคมผู้นี้นะคะฝันแทงไม่เข้ามีวิชาสมิงกลายร่างสำหรับสถานที่ที่สมภารผู้นี้นะคะใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมนั่นก็คือโบสถ์มหาอุดกลางป่าช้าค่ะ ในช่วงนั้นบริเวณชุมชนแห่งนี้นะคะกลาในช่วง100กว่าปีที่แล้วมีข่าวเล่าลือค่ะว่ามีผู้คนพบเห็นเสือสมิงอยู่บ่อยครั้งสมภารผู้นั้นมีลักษณะแปลกแปลกลายเป็นที่ต้องสงสัยจากพระลูกวัด งสงสัยถึงพฤติกรรมแปลกๆสมภารผู้นั้นมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งค่ะชื่อสามเณรเอื้องจนครั้งนั้นนะคะก่อนเกิดเหตุสมภารผู้ที่เป็นเสือสมิงเนี่ยได้ชักชวนให้เณรเอื้องให้ไปเฝ้าหน้าโบสถ์ในขณะที่ตัวเองแอบประกอบพิธีกรรมเสือสมิงภายในโบสถ์แบบลับๆและได้ย้ำกับสา ม, มเณรเอื้องนะคะว่าถ้าได้ยินหรือพบเห็นเสียงแปลกๆคล้ายสัตว์ร้ายจำพวกเสือเริ่มดังจากภายในโบสถ์ให้ตัวเองรีบเข้ามาแล้วทําการเอาน้ำมนต์เนี่ยซึ่งอยู่ใน ถังด้านในตักรถตัวเองเพื่อให้กลับกลายร่างจากสัตว์ร้ายให้กลายเป็นคนค่ะ และในขณะที่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะสามเณรเอื้องที่นั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าโบสถ์ก็ได้ยินเสียงคำรามดังกึกก้องจากด้านในซึ่งเป็นเสียงที่ดูน่ากลัวน่าสยดสยองประดุดว่าเป็นพญาเสือโครงร้ายจากด้านในก็เลยตกใจมากค่ะเพราะไม่ว่าใครที่ผ่านเข้าไปประตูข้างในไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าโบสถ์มหาอุจเนี่ยจะมีทางเข้าออกแค่ด้านเดียวเสือร้ายเข้าไปอยู่ด้านในได้เยี่ยงไรตนจึงอยากรู้อยากเห็น ตามคําร่ําลือหนาหูกันทั่วทั้งหมู่บ้านนะคะว่าสมพานผู้นี้เป็นเสือสมิงเรื่องจริงหรือไม่ก็เลยรีบเปิดประตูโบสถ์เพื่อเข้าไปด้านในเพื่อให้เห็นนะคะกับตาตัวเองว่าจะจริงหรือเท็จประการใดค่ะพอเปิดประตูเข้าไปแค่นั้นแหละนะคะก็เห็นภาพเสือลายพาดกรอนตัวยักษ์นอนแยกเคี้ยวใส่ก็เลยทําให้ช็อกร้องลั่นไปทั้งวัดนะคะ จนลืมทำตามคำสั่งของสมภารผู้นี้ผู้ที่เป็นเสือสมิงนะคะก็ได้แต่วิ่งหนีแล้วค่ะหนีวิ่งป่าราบเลยเพราะว่าตกใจกลัวนะคะร้องลั่นไปทั้งวดัดจนลืมคำสั่งว่าให้เอาน้ํมนต์เนี่ยไปรดหวังจะสะกดอาคมอาถรรพ์ทั้งปวงและก็คืนกลับร่างเดิมแต่ว่าสมณเณรเอื้องตกใจสุดชีวิตค่ะไม่สามารถทำตามคำสั่งได้ ในขณะที่เวลาผ่านไปชั่วครู่นะคะพวกชาวบ้านก็ได้วิ่งกรูกันมาตามที่มาของเสียงคำรามอันดังสนัน่นเพื่อที่จะจับตายเสือสมิงตัวนี้ให้ได้พอทุกๆคนมาถึงหน้าโบทนะคะภาพที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนก็คือเสือร้ายค่ะกำลังกินสนัมเณนอยู่แทบไม่เหลือชิ้นดีจึงได้ทำการปิดล้อม เพื่อหวังกำจัดเสือสมิงร้ายตัวนี้ใช้เวลาต่อสู้กันอยู่นานจนเสือร้ายไม่อาจต้านคนหมู่มากได้ทั้งคมห อ, อกคมดาบของคมสัตราวุธต่างๆนะคะจนต้องตายทิ้งกายละเอียดไปในที่สุดก่อนตายจิตสุดท้ายได้อาคาตศัพท์แช่งทิ้งไว้ สภาพศพเช่นเดียวกันกับสา ม, มเณรค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาที่โบสถ์แห่งนี้อีกเลยนะคะเนื่องจากพลังอาถรรพ์ทำให้ถูกทิ้งเก่าแก่ฝังไว้กับตำนานแห่งความโศกเศร้ากว่าร้อปีตราบจนถึงทุกวันนี้และก็ยังไม่เคยมีใครมาพิสูจน์อีกเลยนะคะ เรื่องราวที่เล่ามานี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญก็จะมีถนนสายสุพรรณบุรีอ่างทองตัดผ่านนะคะแล้วก็ตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยจะมีถนนสายวิเศษผักไห่ตัดผ่านกันตรงสี่แยกไฟแดงค่ะ ถ้าหากว่ามองไปทางโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญจะเห็นอุโบสถวัดสุนทรารามเด่นตระงันประ่าสายตาอยู่ตรงนั้นนะคะและถ้าท่านก้าวย่างเข้าไปในบริเวณวัดเดินผ่านอุโบสถหลังใหม่ก็จะพบกับอุโบสถหลังเก่าที่มีรูปร่างแปลกประหลาดสุดๆจะแปลกอย่างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวย่อๆค่ะเรื่องของพระกินเนนจากวัดในอำเภอวิเศษชัยชาญที่เรานามาเล่าให้ฟังกันค่ะ ทีนี้เรามาฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของพระกินเนนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นที่วัดวรนาทบันพศเดิมชื่อว่าวัดเขากบนะคะเหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะว่าเรียกตามเชิงภูเขาซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเชิงตีนเขากบหรือมีชื่อเรียกในหลักฐานศิลาจารึกในสมัยสุขโขทยัยก็คือวัดปากพระบางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนโดยทั่วไปมักเรียกวัดปาก พระบางว่าวัดวรนาถบันพศหรือเรียกว่าวัดเขากบ และก็วัดกบกันจนติดปากมาจนถึงทุกวันนี้นะคะวัดเขากบวัดที่เก่าแก่ของเมืองนครสวรรค์มีหลักฐานการสร้างวัดนะคะว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาและเชิงเขาวัดนี้มีโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายอย่างนะคะนอกจากนั้นในวัดก็ยังมีรูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ด้วย ส่วนตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาค่ะเป็นตำนานที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูและถูกเล่ากันปากต่อปากจากรุ่นสู่ ร, รุ่นมาจนถึงสมัยปัจจุบันย้อนกลับไปนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2460วัดเขากบในสมัยนั้นค่ะบริเวณวัดยังเป็นป่าทึบรกนะคะและยังเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระเนนจำพรรษาอยู่และถูกทิ้งร้างไว้หลายปีเลยทีเดียว จนกระทั่งหลวงพ่อทองค่ะเกจิด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านเดินทุดงมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาปักกรดจำพรนษาอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้ชาวบ้านจึงนิมนต์พระท่านให้มาเป็นจเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และพัฒนาวาดัดให้จะเดินรุ่งเรืองสืบไปซึ่งพระ ท่านเองก็ไม่ขัดศรัทธานะคะวัดร้างแห่งนี้ก็จะมีโบสถ์เล็กๆอยู่ด้านข้างเจดีซึ่งด้านในก็จะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนจริงประดิษฐานอยู่ทั้งเถาวันทั้งหยากใยและก็ฝุ่นมากมายลวคะ่ะเกาะอยู่ที่พระพุทธรูปเต็มไปหมดทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้จะเป็นช่วงเวลากลางวันก็ตามนะคะ ต่อมาหลวงพ่อทองค่ะท่านเองก็ได้พัฒนาและก็ซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้ให้ใหม่จนสะอาดสะอ้านชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มมาทําบุญและก็บวชพระบวชเนนกันมากขึ้นแต่แล้วเรื่องลึกลับก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเนนที่บวชนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนสองคนในตอนแรกนะคะท่านจเจ้าอาวาสนึกว่าเนร์แอบนี้กลับบ้านค่ะจึงได้ไปไต่ถามที่บ้านแต่ว่าเมื่อโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรเหล่านั้นมาบอกกับท่านจเจ้าอาวาสว่าเนนไม่ได้กลับมาที่บ้าน ก็เป็นที่น่าแปลกใจมากแหละนะคะว่าเนนหายตัวไปไหนหายไปอย่างไร พระที่ทำหน้าที่ดูแลโบทนั้นท่านได้สังเกตเห็นว่ามีเศษจีวรติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ถึงแม้เจ้าออกแล้วกลับมาก็ยังเจอติดอยู่ในตอนแรกก็นึกว่ามีคนแกล้งเล่นแต่เมื่อสังเกตองพระดีๆนะคะกลับพบ ว, ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นจากขนาดเท่าคนจริงตอนนี้สูงถึง2เมตรส่วนสัมเนในวัดก็ยังหายตัวไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีใครตามหาพบนะคะ แต่มีเรื่องเล่ากันขหรอว่าเนนที่หายตัวไปนั้นถูกพบครั้งสุดท้ายที่บริเวณแถวโบสจนวันหนึ่งพระที่ท่านเฝ้าโบสนะคะก็ได้มาแจ้งท่านจเจ้าอาวาส ด, ด้วยสีหน้าตื่นตกใจให้ไปดูที่โบสอย่างไวเมื่อไปถึงก็พบกับภาพที่ทำให้ตกใจเพราะพระพุทธรูปจากที่เคยเป็นปางยืน บัดนี้ได้ล้มตัวลงนอนตะแคงแล้วก็เอามือดันเสียนไว้นะคะทั้งบริเวณปากนั้นก็มีจีวอนขัดคาดติดอยู่ด้วยแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นค่ ะ, จะเจ้าอาวาสจึงสั่งให้ช่างมาทำลูกกรงล้อมรอบองค์พระและหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องของสัมเณหหาอีกเลยนะคะ คุณผู้ฟังคะตำนานพระนอนกินเนนนั้นอาจถูกสร้างขึ้นโดยพระที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดเพื่อไม่ให้สัมมเนนในวัดออกไปเที่ยวเล่นในตอนกลางดึกเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายแก่ตัวสัมมเนนได้แต่ว่าในความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่นั้นบอกว่าตำนานพระกินเนนนั่นเป็นเรื่องจริงค่ะ